ถึงแม้ตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่เมื่อสิ้นอายุขัยจากสุกติโลกสวรรค์แล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้จากนรกกําเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยนะแต่ตัวความเป็นโสดาบันนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วเป็นเหตุให้เราเนี่ยพ้นจากนรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยได้ซึ่งพระองค์บอกว่าท่านไม่เห็นการจองจําอื่นใด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 ที่ปรุงแต่งไปว่าพระโสดาบันจะต้องวิเศษเลิศเลอมีอิทธิปาฏิหาริเห็นนรกสวรรค์หรือทำปาฏิหาริ์ต่างๆได้แต่พอมาดูคุณสมบัติที่พระองค์ได้ตัดไว้นั้นกลับไม่ใช่เลยนะเป็นคุณธรรมพื้นพื้ น, นธรรมดาธรรมดาเช่นการพ้นจากภัยเวร5ประการก็คือมีสินหบริบุ์นั่นเอง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 พิษุททั้งหลายแม้พระเจ้าจั ก, กรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีด ท, ทั้งสี่เบื้องหน้าจากการตายเพราะร่างกายแตกดับอาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสอนในสวนนันทวันเท้าเธอเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามาคุณทั้งห้า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 อันอริยสาวกทำให้สงบระงับได้แล้วด้วยอริยสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัฏิยังคษีอริยญายธรรมเป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแพงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรตนด้วยตนนั่นแหละว่า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 ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายยิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะอธินาทานเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยาสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอธินาทานทำให้สงบระงับได้แล้ว 3. ดูก่อนขาหะบดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในการทั้งหลาย อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรา ย, ยิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัตแห่งจิตบ้างเพราะกามีสุมิชฌาจารเป็นปัจจัยภัยเวรนั้ น, น, นเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากการิมสุมิชฉาจารทาให้สงบระงับได้แล้ว ดูก่อนขหบดีบุคคลผู้กล่าวคำเทจอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสามปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้างปพระมุสาวาสเป็นปัจจัยภัยเวร น, น, นั้นเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาส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 เพื่อรู้ทมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุตรสีคู่นับเรียงตัวได้แปดบุตรนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่ศั ก, กระที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่ศั ก, กระะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ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 เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาวินยูชนสันเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิลูกคลำเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ดูก่อนขะหะบดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว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 ดูก่รขะหบดีอริยะญายธรรมนี่แลเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแพงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาดูก่รขะหบดีในการใดแลภัยเวรหประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วด้วยอริยสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปัติยังคษตีเหล่านี้ด้วยอริยะญาณยายธรรมนี้เป็นธรรมอนริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ก็พยากรณตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดริชานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุคติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสะแห่งนิพพานมีธรรมอันไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้แหละ